มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัคพรหมโลกะกัสมิระปัญหาที่ห้า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 ดูราณะบพิษพระราชสมภารชาติภูมิของมหาบพิษสถิตสถานที่ใดเล่าฝ่ายพระเจ้ากรุงมิรินปิินกษัตริย์ตรัสว่าโยมังเกิดที่กาละเสระคามอันนี้ในเกะาะละสันดะนั้นพระนาเคเษนจึงถามว่าไกลกับที่นี้เท่าไรพระเจ้ากรุงมิรินปิินกษัตริย์ตรัสว่าพันเตนาเคเสนาะข้าแต่พระนาเคเษนผู้เจริญ ตั้งแต่กาละเสียระคามมาถึงที่โยมอยู่นี้ไกลสองโยโยธโดยวัดพระนาคเษนจึงถามสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารแต่ที่นี้ไปจนถึงกัสเซมีระนครนั้นจะประมาณทางเท่าไรเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์บอกว่าไกลสิบสองโยธโดยวัด